กิมไหนมาก่อนอ่าว่ามาส่งกันบ้านสมพงษ์ว่าไงดูออกไหมอะไรติดอยู่สมพง์ก็อย่าไปจงใจทำนะคอยรู้คอยดูไปจิตของเรา มันทำไมนาะประอนนี้มันก็หลุดออกมาแนละ้วทำไมมันกลับไปติดได้อีกช่วงก่อนมันติดอืมนแต่รอบนี้มันค่อยเบากว่าคราวก่อนนะแต่ว่ามันยังไม่หลุดออกมามูหะมยังครอบจิตอยู่ค่อยๆรู้สึกสบายๆต้องสบายนะห้ามทำลำบากต้องรู้สึกสบายพอสบายแล้วรู้ว่าสบาย แต่ถ้าเราเวลาจิตมันเสื่อมลงไปเนี่ยแล้วเราตกใจเราดิ้นรนจะให้หายเสื่อมจะ แ, แก้ยิ่งดิ้นรนยิ่งหนักกว่าเก่าเพราะฉะนั้นเวลาจิตที่เสื่อมลงไปเนี่ยอย่าตกใจเสื่อมก็ชั่งมันเรามีหน้าที่อันเดียวจะตามรู้ตามดูเรื่อยๆแต่ไม่ไม่ไปจ้องไม่ไปตักไม่หาทางแก้ไขนะให้รู้ไปอย่างที่มันเป็น เมื่อกี้ก็หลุดออกมาแล้วนะกลับเข้าไปตั้งท่าใหม่ดูออกไหมรู้สึกเฉยๆอย่าไปคิดจะแก้มันนะอย่าไปคิดประคองรักษามันตามรู้อย่างที่มันเป็นแล้วมันจะหลุดออกมาเองเลยคือเมื่อไหร่เราสามารถรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้นะหลุดออกจากโลกของความคิดเราก็จะรู้กายรู้ใจได้ธรรมชาติของจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว ถ้ามันไปรู้เรื่องที่คิดซะก่อนเนี่ยนะมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยจะสอนให้หลุดออกจากความคิดหลวงปู่ดูลย์สอนให้หยุดคิดหลวงพ่อเทียนนก็สอนมาคิดเป็นหนูรู้เป็นแมววัดมตัตาก็สอนให้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หลวงุู่เทศ์บอกว่าให้ให้มันเป็นใจจิตกับใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปลูกผู้แต่งให้รู้ทานแล้วเข้ามาเป็นใจคือเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปลุมไม่แต่งทางเซนเขาก็บอกให้ตื่นขึ้นมาสอนบอกให้มีความรู้สึกตัวทำไมต้องตื่นทาไมต้องรู้สึกตัวถ้าไม่ตื่นถ้าไม่รู้สึกตัวจะฝันจะไปไหลยอยู่กับความคิด รับใดที่ไหลยอยู่ในความคิดจะรู้กายรู้ใจไม่ได้จริงงันสมมุติบัญญัติเลยความคิดนั่นเองปิดบังพรมัจรคือปิดบังกายปิดบังใจตัวจริงนะดูนาเป็นไงอะไรนะให้รู้ทันนะแต่นี้ทำน้อยกว่าก่อนละนะปิดใจค่อยตื่นขึ้นมานุ่มนวลบ้างของแตนยังไม่หมดนะดูออกไหม เออยังประคองอยู่นะใครรู้ใครดูไปอย่างที่มันเป็นแ ต, แต่ดีประ่อนี้เยอะแหลนะมาครับก่อนยังประคองหนักกว่านี้เหรอคอนกรีตเลยเนะนืน้อนาดีละวนื้อยากแก้งทำอะไรพิลึกขึ้นมนะาอีกปล่อยนะปล่อยให้กายเคลื่อนไหวไปปล่อยให้จิตเคลื่อนไหแล้วตามรู้ไปอย่างที่มันเป็น เราทำนิพนานะเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นอย่าไปแทรกแสงความจริงก็อย่าหลงไปถ้าหลงไปก็รู้ไม่ได้จุติพจน์หลงไปแล้วนะไปแล้วรู้สึกไว้จิตใจมันไหลแปรรู้ไว้อาจารย์วย่ิคิดนะอาจารย์ไงจูดเป็นไงไไอยากเลยนะ เลอมันไม่เด็ดอ่ะมันกลัวมันกลัวมันก็เลยทาไม่เลิกอย่าห้ามมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ได้ที่ถ้าใจมันไหลเอาไม่อยู่จริงๆก็ทําสมถานิดหน่อยทําสมถามเป็นที่พักให้จิตใจมีกําลังขึ้นมาตั้งมั่นแต่ต้องระวังอย่ากลายเป็นมิจฉาสมาธินะ ส่วนใหญ่ที่ทําสมถะกันกลายเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคลิมนั่งแล้วขาดสติขาดสติไม่ได้นะขาดสติก็คือคนตายแล้วคนประมาทนั่นจะทําสมถะนะให้ใจเข้ารู้สึกตัวให้ใจออกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะหรือพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปใจหนีไปก็รู้ทันมัน พุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วสงบหรือว่าสงบนะเตเริ่มจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เริ่มเงินใจหรลอว่าเิ่ิวจเตรงที่รู้ทันแล้วก็นิ่งว่างสว่างขึ้นมาตรงนั้นคือภาวะแห่งการรู้ บอว่าเห่งการรู้เนี่ยเกิดชั่วขณนะเกิดชั่วขณะก็จะไหลใหม่ไหลใหม่มีหน้าที่รู้ใหม่นี่มันจะมีแต่ไหลไปแล้วก็รู้ไหลไปแล้วก็รู้สิ่งที่จะได้ขึ้นมาเนะี่ยจะได้ปัญญามาเห็นซ้ําๆๆไปได้นะเมื่อปัญญามันค่อยแจ้งขึ้นมาว่าจิตที่หลงไปเป็นอกุศลนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันธรรมะทั้งปวงมีแต่เกิดกระดับ คืหน้าที่ของเราแต่ละคนอยากได้ธรรมะนี่ธรรมะมันไม่มาสู่ใจเราสรักทีเพราะใจเราปฏิเสธธรรมะแต่ละคนเนี่ยที่ว่าอยากได้ธรรมะอยากได้ธรรมะน่ะส่วนใหญ่ใจปฏิเสธธรรมะนะธรรมะเลยเข้ามาสู่ใจตัวเองไม่ได้ธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือรูปธรรมคือกายนามธรรมคือใจส่วนใหญ่เราก็ไม่สนใจมันไม่สนใจไม่สนใจกายไม่สนใจจิตใจของตนเอง แต่ถ้าเรามีสติเราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจจะแสดงธรรมะให้ฟังธรรมะที่ฟังจากครูบาอาจารย์หรือธรรมะที่อ่านเอาเนี่ยไม่ใช่ธรรมะของจริงหรอกธรรมะของจริงเฉพาะตัวบุคคลธรรมะเฉพาะตัวนะต้องฟังอยู่ที่กายที่ใจตัวเองนี่กายมันแสดงธรรมะว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ใจก็เหมือนกันแต่เรา ปฏิเสธธรรมะเนะี่ยเราอยากให้กายเที่ยงยนะอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันไม่เจ็บไม่แก่ไม่แปรปลัวใช่ไหมอยากให้มันมีความสุขอยากไปบังคับมันให้ได้แต่นะความทุกข์ก็ตามเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสติตาม ร, ามรู้ตามดูกายเห็นะเลยกายมันไม่เที่ยงหรอกหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกนะอะไรเงี้ยกินอาหารเข้าไปก็ต้องขับถ่ายออกนะนั่งแล้วก็ต้องไปยืนต้องไปเดินต้องไปนอน ก็เปลี่ยนอิทธิบดมันไม่เทียมสภาวะอันใดอันหนึ่งในกายนี้ทนอยู่ไม่ได้หายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้หายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้กินอย่างเดียวก็ไม่ได้ทายอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้มีแต่ทนอยู่ไม่ได้เท่านั้นเดียวความทุกข์มันบีบคั้นเอากายนี้เป็นของบังคับไม่ได้มีความแปรพลวนไปเรื่อยๆไม่บังคับตามใจไม่ได้ จะสาวตลอดการก็ไม่ได้อะไรเงี้นะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายกายก็แสดงธรรมะคือแสดงไตรลักษ์ให้ดูแต่เราเองปฏิเสธธรรมะเราอยากให้เที่ยงเราอยากให้สุขเราอยากบังคับให้ได้จิตก็เหมือนกันจิตเป็นของไม่เที่ยงไหมกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเไรื่อยๆไม่เที่ยงทนอยู่ในภาวะอันเดานึ่งไม่ไ ด, ไได้เป็นทุกข์บังคับไม่ได้ อย่างจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นะจิตจะสุขหรือทุกข์ก็สั่งมันไม่ได้ยังบางคนทําสมาธินิ่งอยู่ได้เป็นวันวันเสร็จแล้วก็เสื่อมออกมาอีกก็นิ่งอยู่งั้นตลอดไม่ได้ไปเป็นพระพรหมทําสมาธิทําฌานอยู่นานๆเสร็จแล้วก็เสื่อมออกมาอีกมันทนอยู่ไม่ได้อย่างนั้นที่สุดมันก็แพ้กับไตรลักษณ์หมดนั่นกายกับใจของเราแสดงไตรลักษณ์ทั้งวันแสดงตลอดเวลา คนส่วนใหญ่ก็พลาดในสองจุดจุดหนึ่งไม่สนใจที่จะดูไม่สนใจที่จะฟังธรรมะภายในของเราเลยือลาเลยที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองอีกพวกหนึ่งอุตส่าห์ตามรู้ตามดูแต่ปฏิเสธธรรมะตลอดเลยต่อต้านอยากให้มันสุขอยากให้มันเที่ยงอยากบังคับมันให้ได้สังเกตดูเวลาเราลงมือปฏิบัติเราลงมือบังคับซะส่วนใหญ่บังคับกายบังคับใจ แทนที่จะเรียนให้เห็นมันบังคับไม่ได้ก็มุ่งบังคับอุตรุดเลยนี่แล้วทำไมธรรมะมันจะมาสู่ใจเราได้เราปฏิเสธมันเองเรื่หมู่นี้ทำไมโยมาบ่อยแฮะเห็นบ่อยาาอ๋เหรอะดีนะไม่ต้องขับเองมากรับส ม, สมพูงอะแล้วสมพงมิเออนุญาตให้มายูไปกันเหรอ ให้คุณทิติเป็นไงคุณทิติอะไรนะ ม, มันมันไม่ดียังไงรู้ใช้ก็ยังดีนะ่าดีกว่าไม่รู้ <c oughs> ให้มันหลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงนะให้มันโกรธไปก่อนเรารู้ว่าโกรธให้มันโลภไปก่อนเรารู้ว่าโลภเราไม่ดักไว้แต่ว่าให้มันนานหนะลงไปไหลายๆชั่วโมงนานไป ให้ฝึกไปธรรมชาติของจิตน ะ, จะเจริญแล้วเสื่อมนะจิตไม่ใช่มีธรรมชาติว่าฝึกแล้วจะดีขึ้นดีขึ้นนะจิตนะ่ะอุตสาเฝ้ารู้เฝ้าดูทุกวีทุกวันนะก็แสดงความจริงให้ดูอีกจเจริญแล้วเสื่อมนะแต่ใจเราปฏิเสธความเสื่อมเราจะเอาความเจริญเพราะ้นเมื่อเวลาที่จิตเสื่อมอย่าตกใจนะสมพงศ์จิตเขาแสดงธรรมะให้ดู่นะฮะ งั้นเมื่อจิตแสดงธรรมะให้ดูนอบน้อมต่อธรรมะนะอ่อนโยนอ่อนน้อมกับธรรมะอย่าไปต่อต้านธรรมะโบว่าไงโบวันนี้ต้องรีบหน่อยนะอย่าเก่าทางนั้นต้องรีบส่งกลับบ้านก่น <laughs> อนแล้วนี้ต้องแบ่งเวลาให้พละกลับไปอยู่บ้านแล้วเหรอเราต้องฝึกนะโบค่อยฝึก ดูจิต ด, ดูใจของเราไปผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมอะ่ะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้นะแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่ก็ไม่สุขอยู่ที่นี่ก็ไม่สุขเลยเนะี่ยในใจเรามันต้านทุกอย่างไปหมดถ้าคอยดูเอานะจริงๆผู้ปฏิบัติมันควรจะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะยกเป็นกนอยู่กับคนทุสีนี่ mm. ใ, ใจเรา สังเกตที่ใจนะใจมันมีความปรารถนาอะไรบางอย่างเนี่ยมันอยากหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดิ้นรนสแสวงหาจิต ใ, ใจที่ดิ้นรนสแสวงหาไปเนะี่ยมันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออย่างเราอยากหาธรรมะหาความสุขหาความดีนะหายัางไงไม่เจอหรอกต้องหยุดหานะถ้เาเจอ คือถ้าใจหมดความดิ้นรนเมื่อไห่นะเราจะมีความสุขทันทีเลยช่วงนี้ก็ดิ้นน้อยลงแล้วนะรู้สึกไหมเห <c oughs> มือนนุ่ ม, มามากแล้วนะคุนยาวเชิญคุนยาวสมพภคเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปจานเป็นไงจาน <c oughs> นี่แะจานเป็นธรรมดาละธรรมดาดีที่สุดเลย คุณชาตพานถอยขึ้นไปนิดนึงนะใสไปแล้วนิ่มเป็นไงนิ่มฝีมือตกอหรือยังหรือฝีมือดีขึ้ น, นหนนนแึแต่ดีกว่าบังคับไว้หลงไปนะนานๆแล้วรู้ขึ้นมานะก็ยังได้คะแนนนะส่วนนั่งบังคับตลอดเวลาเลยเราคิดว่าไม่หลงลนั้นขาดทุนนะ ตอนนี้จิตใจสบายกว่าเมื่อก่อนดูออกแหมมันเบาขึ้นรู้สึกไหมปฏิบัติแนละ้วมันต้องมาอย่างนี้นะแต่เราไม่เรียกร้องตัวเองว่าจะต้องรู้ได้ตลอดเวลาเราไม่ใช่พระอาหารหันต์ิงแต่อย่าหลงนานเนทะ่าให้หลงไปแล้วรู้ว่าหลงดีกว่ากลัวหลงเลยประคองไว้แต่เดิมที่ผ่านมาเราประคองไว้ตลอดเวลาเราคิดว่าอย่างนั้นดีเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่นะ นั่นเรียกว่าหลงบหลงปฏิบัติคุณหมอเป็นไงคุณหม อ, ม ค, อคุณหมอยังบังคับมันไหมอย่างเกรงไหมอยังสภาวะขณะนี้กับสภาวะตอนไม่ได้เข้ามาวัดนี้เหมือนกันไห ม, ไมคล้ายๆเหรอคุณหมอบังคับมันไหมจนชินแล้ว ยังบังคับอยู่นะดูออกไหมคือการที่เราคอยบังคับไว้เนี่ยเราจะได้เป็นคนดีเราจะเป็นคนดีแต่การที่เราบังคับจิตเอาไว้ให้นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยประคองไว้เนี่ยนะมันปิดกั้นปัญญามันปิดกั้นการเจริญปัญญาก็ราะไรเพราะว่ามันจะนิ่งผิดความเป็นจริงไป ม, มันไม่แสดงใส่รักให้ดูนะคุณมาเอาค่อยๆลดการบังคับตัวเองลง ถ้าง่ายที่สุดเลยนะคุณหมอลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนแต่ว่ารักษาศีนไว้ก่อนนะแล้วก็ลืมคาว่าปฏิบัติเสื้อแล้วก็อะไรเกิดขึ้นทางใจนี่เราก็ค่อยรู้เอาถ้าเรากลัวว่าเราจะหลงไปหรือเราคิดอยากปฏิบัติมีสองแบบพว ก, กลัวหลงลก็จะคอยคุมไว้อีกพวกหนึ่งอยากปฏิบัติมากเลยก็พยายามจะทำมันจะทำให้เกิดการสร้างอะไรบางอย่างที่แปกปลอมจากธรรมดาขึ้นมา นี่ถ้าบางคนฝึกมานานเนี่ยกลายเป็นว่าเราสร้างอะไรขึ้นมาบล็อกตัวเองไว้แล้วก็อยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันเลยในทุกๆสภาวะดูคล้ายๆกันไปหมดแต่มันจะนิ่งผิดความจริงไปหมดเลยแต่สิ่งที่คุณหมอต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเราบังคับมานานเนี่ยพอเราจะตามรูแล้วไม่บังคับเนี่ยนะความร้ายๆทั้งหลายเนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมันจะน่ากลัวมากเลยนะเะนฝึกอึกไว้อดทนหน่อยนะ มีสีลห้าไว้ความร้ายทั้งหลา ย, ยา่ะโผล่ขึ้นมาอย่างน่ากลัวเป็นภูเขาเลยนะหนึ่งจะกลายเป็นคนโมโหร้ายกาดขึ้นมาที่โมโหร้ายกาดขึ้นมาก็รเราข่มไว้นานข่มไว้นานต้องใจแข็งๆนะคุณหมอใจเด็ดๆอย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวขาดสติอย่า ก, กลัวเหล อ, อย่า ก, กลัวไม่ได้ปฏิบัตินะต้องใจเด็ดๆเพราะว่า กิเลสจะมาเป็นกองทับเลยไม่ไม่บังคับเมนะื่อไหร่แล้วมันจะขึ้นมาเยอะแยะแบบนี้แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็บังคับไปเรื่อยๆนะชาติหน้าก็ทํายากน ะ, นะทํายากไปเรื่อยๆเพราะมันจะชินกับการบังคับจะไม่ชินกับการรู้สึกอาคุณแมมว่าไงคุณแมมอะไรนะไม่ทำเป็นบ้าน อ๋อ <c oughs> นี่คุณหมอไปจ้องใส่มันแล้วดูออกไหมให้รู้ทันมันนะคือเราเราอยากดูสภาวะเราก็พยายามไปดูมันแท้จริงก็คือเราเกิดการทำงานทางใจขึ้นแล้วคือเกิดการดูตรงนี้คุณหมอนื้อออกไหมมันเกิดการดูขึ้นมาละการดูก็คือการทำงานทางใจอันหนึง่งหรือว่าสร้างภพเหมือนกันเบื้องหลังของภพของการดูอันเนี้ย ก็คือความอยากจะปฏิบัติมีตัณหาอยู่เบื้องหลังแล้วก็สร้างภพอยากปฏิบัติก็เลยสร้างภพด้วยการไปดูพอไปดูมันก็เกิดผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเกิดตั ว, เ ก, ตวเกิดตนขึ้นมาอีกเนี่ยหนีไปคิดคุณหมอทราบไหมไห ล, หลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดไม่ห้ามนะเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงเรามีหน้าที่คอยรู้เอาให้เขาไปก่อนแล้วรู้ทีหลัง เราอย่าประคองอย่ากลัวว่าเขาจะไปอย่ากลัวจะลงอย่ากลัวว่าจะไม่รู้ทันอย่ากลัวไม่กลัจะขาดสติเนี่ยขาดสติแล้วทราบไหมใจไหลแวบไปนะเราก็รู้ทันมันรู้ลงทีลักษณะทีลักษณะเขาแสดงธรรมะให้เราดูเราอย่าต่อต้านธรรมะนะเขาแสดงความแปลปรวนนะั่นแหละตัวธรรมะเนี่ยพวกเราชอบต่อต้านธรรมะเรากลัวว่าเขาจะไปเราบังคับเขาให้นิ่งเราต่อต้านไตรักแล้ แล้วไม่มีใครต่อต้านได้จริงต่อต้านได้อย่างมากก็ช่วงหนึ่งไปเป็นพระพรหมก็ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งมีใจอ่อนน้อมกับธรรมะนะอ่อนน้อมกับธรรมะคือยอมรับสภาพที่มันจะปรากฏอย่าไปฟืนอย่าไปต้านของคุณแม่มก็ดีแล้วนะฝึกไปอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าไม่ดีที่ผ่านมาไปบังคับมันต่างหาก ที่ถูกก็ต้องทำอยู่อย่างนี้แต่อย่าหลงยาวนะรู้สึกไหมมันสบายใจมันโล่งขึ้นมาแล้วล้วก็คอยรู้สึกไปอย่างนี้นะคำว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แปลว่าไม่ปฏิบัตินะแต่หมายถึงไม่จงใจทำไม่ใช่จงใจบังคับมันประคองมันนะเอาคุณหมีว่าไง ตื่นเปนคนแล้วเราตื่นหรือยัง <c oughs> ดูออกไหมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราหลับบ่อย <c oughs> บ่อยมาก <c oughs> ใช่ทั้งสองคนนะทําได้ดีละผู้ที่ปฏิบัติดีเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันหลับวับวับวับวบไป ไ, ปได้คือมันจะขาดสติมันจะเผลออากุศนได้เกิดแทบทั้งวันเลยหนะลงแว บ, บแล้วเรารู้สึกหลงแว บ, บแล้วเรารู้สึกดีนะ ดีกว่ากลัวหลงแล้วประคองไว้เนี่ยหนีไปอีกละดูออกไหมมีดีแล้วคอยรู้ไปนะทำถูกล้วทำอย่างนี้เรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจเอายมมรวยว่างไงมีความสุขค่ะ <c oughs> เออดีนะรู้สึกเรื่อยๆ ดีหัดรู้สึกไว้นะหัดรู้สึกเรื่อยๆดีที่สุดเลยเอเ อ, อนะหัดไปเมื่อสักสามสี่วันก่อนนะมีผู้หญิงมาคนเอะวันนั้นโยม้า่อนนั้นผู้หญิงมาขนที่วันที่ข น, น, นเยอะๆคนนั้นก็เป็นช่างทำผมนะแต่เดินขเพ่งเเพ่งลูกเดียวเลย เขาไปอ่านวิธีแห่งความรู้แจ้งเล่มหนึ่งอ่านเล่มเดียวมีอยู่เล่มเดียวผลให้ไปเล่มเดียวนะก็เข้าใจธรรมะนะใช้เวลาไม่นานประมาณหกเจ็ดเดือนนะมีคนทำได้บ่อยๆทำได้เรื่อยๆใครรู้ใครคดนะูเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติให้นผิดธรรมดาไปของธรรมดาที่สุดเลยนะ รายนั้นแกนบอกแกทำผมไปแกก็ดูจิตไปส่วนใหญ่ช่างทำผม่ยทำผมไปคุยไปใช่ไหมนี่ทำผมไปดูจิตไปทำได้ทั้งวันเลยต <c oughs> ตืต่นจ ด, ดหลับนะใช้เวลาไม่นานยันดูดูว่า ถอ้ยโยหรวยรู้สึกตัวหลงไปแล้ว